มัน น, นีการวดเหียนตามที่ได้บอกแล้วว่าเข้าใจทําความเข้าใจได้ง่ายคือชีวิตมีอยู่แล้วเนี่ยเพีย mm hmm. งแต่มาดูมันให้เห็นว่าชีวิตที่เป็นเป็นธาตนะุอย่าอย่าไปคิดเอาว่าเราคือคิดว่าอย่างไรลองพักไว้เสก่อนที่เราคิดว่าเราเป็นเราเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็น คนดีคนชั่วคนสวยคนงามคนร่าคนรวยนี่ยเก็บไว้ก่อนเอาตัวชีวิตล้วนๆมามาวางไว้ตัวชีวิตล้วนๆคืออะไรที่เราสัมผัสได้เนี่ยให้เอาภาพความคิดความส้าคันธ์มั่นหมายเนี่ยออกไปให้มันเหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆจะได้ไหมความรู้สึกขณะนี้มีกี่อย่าง ความรู้สึกทางกายขณะนี้ความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรคนก็จะนึกออกอะ่ะเย็นดอนอ่อนแข็งเจ็บปวดสบายไม่สบายสัมผัสได้ตลอดเวลาแต่นี่คือ <c oughs> ที่เรารู้ว่าเรามีกายเราเรียกนี้ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกทางกาย อันนี้เป็นตัวตั้งที่เราสัมผัสได้ง่ายๆทุกคนแล้วก็คน อ, อย่างไรก็ตามที่เกิดเป็นคนที่มีชีวิตเนี่ยต้องรู้สึกเหมือนกันหมดสบายมันสบายนะให้เป็นส่วนกายทุกคนมีอันที่สองความรู้สึกอีกอันหนึ่งเรียกวความรู้สึกส่วนจิต ความรู้สึกส่นจิตนี่มันก็ไปเนื่องไปจากกายถ้ากายเราสบายแล้วก็รู้สึกชอบอยากจะอยู่อย่างนี้นานๆนี่ความรู้สึกในสนใจแต่ถ้าหาวันอากาศมันร้อนอบอ้าวมันไม่สบายมันมีภาวะที่ไม่สบายเหมือนั้นเถอะมันร้อนมันอบมันอ้าวมันกระทึกคลโครมมันวุ่นวายอะไรตงนี้อันนี้ก็จะรู้สึก ทางใจว่าผูไม่สบายไม่ชอบอนี่เป็นต้นก็จะมีความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเราก็มักจะไปมองข้ามมันซ ะ, นะเราไปมองเห็นแต่เปลือกเห็นแต่สมมติมันแต่ตัวแก่นเนี่ยแก่นเนื้อแท้ของมันเนี่ยเรามักจะมองไมง่ค่อยเห็นแต่เวลาเรามาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเนี่ย เรามาหาแก่นของชีวิตนะเอาส่วนที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เนี่ยวางไว้ก่อนเอาเอาแก่นเหมือนเราจะรับทานผลไม้เนี่ยเราต้องการบริโภคเนื้อมันหรือมเมล็ดมันก็แ ล, แล้วแต่เราก็แกะเปลือกมันทิ้งไปก่อนถ้าเราจะมัวห่วงหรือรักเปลือกที่สวยๆของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเนื้อละนะ เหมือนกันเรายังรักความาสะดวกสบายความสวยความงามความอเด็อร่อยความสนุกสนานซึ่งเป็นเปลือกของชีวิตเนี่ยถ้าเรารักอันนี้อยู่เราก็ไม่ได้กินเนื้อกินแก่นทังมันนั่นหมายความว่าถ้าเรารักความรู้สึกที่มันถูกใจเนี่ยมันก็จะไม่ได้กินไม่ได้รู้ความจริงแล้วความจริงไม่มีอะไรถูกใจตลอดเวลา มันคอยขัดใจเราเรื่อยๆอาการอากาศร้อนนิดนึงก็ขัดใจอากาศหนาวนิดหนึ่งก็ขัดใจนั่งไม่สบายนิดหนึ่งก็ขัดใจนะมันจะมีเรื่องขัดใจเรนะื่องไม่ไม่สบายใจตัวนี้เป็นแก่นแทน้ความไม่สบายทางกายถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมันก็เราก็ไปเอาความไม่สบายนะั้นมาเป็นดาว ความไม่สบายทางใจถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายผิดแล้วก็ไปเอาความคิดเนี่ยเป็นเราตัวเนี้ยสาเหตุทนะาไมจึงเรียกว่าแก่นก็เพราะว่ามันจะคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปจนตายมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นลร่าเป็นโลยความเป็นสวยเป็นงามมันก็ยัง เสื่อมเสียลายเปลี่ยนแปลงไปทุวีทุวันแต่ความรู้สึกของกายของจิตเนี่ยตั้งแต่เราเกิดจนไปถึงเราตายเนี่ยมันอยู่กับเราเราก็ยึงเอาตัวเนี้ยมาเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งมาเป็นที่พิจารณามาเป็นที่อาศัยเพราะมันมันอยู่กับเราตลอดแต่อันไหนที่มันเป็นของชั่วคราว <c oughs> บอกของชั่วคราวไว้ อ, อาศัย แล้วของที่มันเท้าวอเอาไว้เป็นที่พึ่งเหมือนกับเรือในเรือของเราเนี่ยมันเป็นที่พึ่งมอให้เราจบน้ำแต่ในเรือนี่มีสิ่งอาศัยหลายอย่างมีน้ำมีข้าวมีขนมนมเนย ม, มีของกินของใช้ในเรือใหญ่ๆอันนั้นเขาเรียกที่อาศัยแต่เรือตัวเรือเนี่ยเป็นที่พึ่ง ในความรู้สึกของเราในตัวของเราก็มีสองอย่างความรู้สึกที่เร า, อาชอบมันเป็นที่อาศัยความรู้สึกที่เราไม่ชอบมันกลับมาเป็นที่พึ่งเพราะอะไร <c oughs> ทางทางที่พึ่งเพราะมันอยู่กับเราตลอดไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ได้อยู่กับเราตลอดเดี๋ยวมันก็หายไป เหมือนของในเรือเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปนแต่เรือก็อันเก่านั่นแหละร่างกายของเราเนี่ความรู้สึกกับกายความรู้สึกกับใจเนี่ยก็อันเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกสบายมา่สบายเย็นแล้ว อ, อ่อนแข็งเข่งตึงมันเป็นที่อาศัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอนะนั้นเองเรามีที่พึ่งและมีที่อาศัย เราจะไปสำคัญผิดว่าเอาที่พ ja er ึ่งเป็น yeah. ที่อาศัยเอาที่อาศัยเป็นที่พึ่งแต่มาปฏิบัติัปเหมือนกันเอาความรู้สึกความรู้สึกกายรู้สึกใจเป็นที่พึ่งแต่เอาความรู้สึกที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเนีเป็นที่อาศัยนะอย่างสมมุติความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันเป็นที่พึ่งความรู้สึกอร่อยเยเป็นที่อาศัย เสียงที่เราได้ยินเสียงนิ่งนิ่งเงียบเงียบสงบสงบมันเป็นที่พึ่งเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงเพราะไม่เพราะเนี่เป็นที่อาศัยเพราะมันเกิดขึ้นสักพักแล้วก็มาดับไปอันไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไฟหายไปเนี่เป็นที่อาศัยอันไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เกิดมันไม่ดับอันนั้นเป็นที่พึ่งเมื่อเข้าใจหลักหลักอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายขึ้น เวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่อยู่กับความรู้สึกที่มันพึ่งได้ความรู้สึกที่พึ่งได้ที่ละวันวันหนึ่งเราท่องวันได้สา ม, สามครั้งแล้วพูดทางสนาังก์กชามิทำมังสนาังกฉามิสังขังสนาังกฉามิข้าพเจ้าก็ถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสูงว่าเป็นที่พึ่งนะทีนี้พึ่งพระพุทธนะก็ไม่ใช่ทองคําพึ่งพระธรรมก็ไม่ใช่คำพี พุทธระสงค์ก็ไม่ใช่ลูกหลานชาวบา้านแต่พุทธระธรรมพระสงฆ์หมายถึงตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนะตัวรู้นี่เป็นพระพุทธตัวตื่นนี่เป็นพระธรรมตัวเบิกบานเป็นพระสงฆ์ถ้ามีสามอย่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ก็มีที่พึ่งล้วเน้เรื่องมาปฏิบัติตัวรู้ก่อนเพราะได้ตัวรู้มันก็จะตื่นขึ้นมา ตัวรู้เหมือนตัปลุกปลุกตัวปลุกเหมือนคนนอนหลับปลุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็มีที่พึ่งอันที่สองแหละคือพระธรรมเสร็จแล้วก็รีบไปล้างหน้าล้างตาแ ป, แป้งแต่งตัวให้สวยงามก็บึกบานดั่งมีใครตื่นขึ้นมาแล้วไม่ <c oughs> อาบน้ําไม่แต่งตัวก็ดูไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นั่นั้นสามอย่างตัวพุท ธ, ธ คือปลูกเราเป็นตัวปลูกเราตัวธรรมะคือตัวตื่นขึ้นมาตัวสังขะทำให้เราได้สัมผัสความดีงามความสวยงามความเบิกบานเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นดอกบัวเนาะพระอาทิตย์เกิดขึ้นพระอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวปลุกให้ดอกบัวตื่น พอดอกบัวมันตื่นแล้วมันดอกบัวมันก็จะบานตื่นหมาความมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่แรกมันก็อยู่ดิ่มน้ําบ้างอยู่ใต้น้ำบ้างพออาทิตย์ส่องเข้าส่องเข้ามันก็ตื่นขึ้นมาอยู่เหนือน้ําพอเหนือน้ําได้แดดได้แสงมันก็บานนะใจเราเหมือนกันความรู้สึกตัวเหมือนพระอาทิตย์พอส่องเข้ามากระทบจิตของเราจิตของเราแรกมันอยู่ในอารมณ์บ้างจมติดอยู่ในอารมณ์บ้าง พอถูกแสงสว่างคือความรู้สึกตัวสะส่องเข้าไปมันก็โผล่ออกมาตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันได้เห็นความจริงมันสลัดทิ้งสลัดทิ้งน้ําทิ้งตรงได้ที่มันจมอยู่นานๆมันก็บานเมื่อก่อนบอกวนจมอยู่ในโคนในตรงบานไม่ได้แต่พอมันถูกพระแสงพระอาทิตย์มันก็โผล่ขึ้นมามันก็เบิกบานเพราะฉะนั้น ในพุทธศาสนาจึงอาดอกบัว เ, เป็นสัญลักษณ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของอเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาคือดอกบัว <c oughs> เพราะว่าใจของคนทุกคนท่านบอกว่าเหมือนจมอยู่ในโคนตรงคือกิเลสพอได้ปลุกความรู้สึกให้มันเกิดขึ้นมันก็ใจของเราที่ตัวรู้ ตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ใจของเรามันก็จะโปล่ออกมาจากความคิดออกมาจากกิเลสตัณหาได้มาจากโครนตรมก็เบิกบานนะทีนี้วิธีการที่เราทำก็คือง่ายๆคือไม่ทำความรู้สึกตัวนะด้วยการทำทางเท้าบ้างทางมือบ้างนะเป็นหลักพอเราช ม, ชม น, านิชานาญต่อไปก็ไม่ยากละ ต่อไปเราก็เคลื่อนไหวในจุดเล็กจุดน้อยแล้วก็รู้สึกได้หมดแห้ะภาพตาอาปากหายใจมันจะรู้สึกของมันเองดังนั้นเวลาเราปฏิบัติก็ไม่ต้องทำอะไรมากคอยสังเกตนะสังเกตตัวเราตลอดความสังเกตความรู้สึกกาย สังเกตความรู้สึกใจเองตัวสังเกตนี่เองเป็นตัวรู้นะกายมันสบายหรือไม่สบายเนาะกายส่วนใหญ่ไม่สบายหรอกกายเนะีนะ่ยเดเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวล้าเดี๋ยวอบอ้าวเดี๋ยวร่าร้อนเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นขัดตรงนี้อยู่งั้นแหละนี่คือความรู้สึกทางกายก็ต้องรับรู้ ว่ามันเป็นเป็นความรู้สึกที่ติดตัวเรามามากบางน้อยบางทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวรู้เนี่ยเราก็จะไปคิดสําคัญมั่นหมายว่าความรู้สึกที่มันไม่สบายนียเนเ่เป็นเราเป็นเราตัวนี้เป็นเป็นกุญแจสําคัญนะถ้าเราไปเห็นว่านี่คือความรู้สึกมันไม่ใช่เรา มันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งสมมุติมันว่าเป็นทุกข์เราก็จะใช้มันเป็นเหมือนเราไปเห็นว่าเกลือมันเค็มพริกมันเผ็ดไฟมันร้อนเราเห็นมันเราก็ใช้มันถ้าไม่ใช้มันมันก็ไม่ได้ประโยน์จากมันเหมือนกันเราเห็นว่าความทุกข์เขเวทนาร่างกายเนี่ย มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันคันเราก็ใช้มันใช้มันยังไงใช้มันปรุงเป็นอาหารพริกรู้ว่ามันเผ็ดก็อย่าใส่เยอะเกลือรู้ว่ามันเค็มก็อย่าใส่เยอะอะไรที่มันรสจัดใส่นิดๆหน่อยเหมือนกันเรารู้ว่าความทุกข์ในกายเนี่ยแต่ดีอย่างมันเป็นอย่างนี้เราก็อย่าไปเข้าไปเสพไปสงไปอยู่กับมันนานหรือเยอะ รู้มันดูมันนิดๆหน่อยๆอย่าไปเข้าไปในมันนะเอาส่วนใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาอมาใช้นะไม่ให้ทิ้งนะทุกนี่ไม่ให้ทิ้งนะพุทธเจ้าบอกว่าไงทุกต้องกำหนดรู้ให้รู้จักรู้จักว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะแล้วก็ ทุกพวกนี้มันเกิดมาจากไหนรู้ที่ไปที่มาของมันถ้ารู้ที่ไปที่มาของมันเราก็จะรู้ว่าจะเอามาใช้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้ว่าทุกมาจากไหนแล้วก็ใช้มันไม่ได้นะเพราะว่าเวลาจะใช้ไม่รู้จะเอาจากที่ไหนเพราะไม่รู้ที่มาไม่รู้จากที่เกิดของมันนั้นท่านก็บอกว่าให้รู้ที่เกิดในส่วนไหนที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้ในส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไม่ใช่ทิ้งในส่วนไหนใช้ไม่ได้ สมมติเกลือสักกระปุกเนี่ยเราจะใช้แกงสักช้อนหนึ่งก็ตักมาช้อนเดียวไอ้ส่วนที่เหลือนี่ไม่ได้เอาทิ้งนะเก็บไว้พริกมันเป็นสิบเม็ดใส่ทั้งสิบเม็ดมันเผ็ดกินไม่ได้ก็เอาสัเม็ดหนึ่งไอ้ที่เหลือก็เก็บไว้นะเหมือนกันตัวความทุกข์ในร่างกายเนี่ย ส่วนไหนที่ใช้ได้ก็หมส่วนที่เรากาหนดรู้มันใช้ได้ส่วนที่เรามันกัหนรู้ไม่ได้มันก็ต้องอแก้ไขเอาออกไปนะเช่นว่าปวดนียปวดที่เราพอทนได้นี่เอาใช้ได้ปวดไหนที่ทนไม่ได้ก็แก้ไขบาบัดออกไปอีกส่วนเกินถ้าเราไม่มละไม่บาบัดนี่ตรงนั้นแหละท่านบอกว่ามันเป็นสมุทยัย มันเป็นสมุดให้เกิดทุกข์เราก็ละเสียแต่เรรู้ว่าส่วนไหนมันเกินเราไม่ยอมละนี่นะรู้สึกปวดเราก็ไม่ปล่อยไม่วางไม่ละมันก็จะเป็นส่วนเกินละจะทําให้เบียดเบียนใจละทีเนี้พรนะพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะส่วนไหนเกินก็อย่าอย่ามาใช้เก็บไว้น่ะ ทีนี้ว่าสมุทัยส่วนเกินต้องล้างแต่ที่นี่ส่วนนิโรธท่านว่าทำให้มันปรากฏทำให้มันเกิดขึ้นทำให้ปรากฏเกิดขึ้นนิโรธนิโรธต้องทำให้ปรากฏนิโรธต้องทำให้มันแจ้งให้มันชัดหมายความว่าในส่วนที่จะให้มันดับนะอะไรที่มันเกินเนะี่ย อันไหนที่จะให้มันดับแต่ให้มันดับต้องทำให้มันชัดๆมันดับให้สนิทนะดับให้สนิทจะให้ดับคือครึ่งกลางๆดับให้ชัดๆเลยเหมือนเราดับไฟเนี่ยถ้าดับไม่สนิทเป็นไงเดี๋ยวก็ไมมต่อนะต้องดับให้สนิทเหมือนกันนิโรธก็เหมือนกันต้องดับดับอะไรดับทุกให้มันดับดับให้มันชัดแล้วก็มัก คือวิธีการวิธีการต้องเรียนรู้บ่อยๆต้องศึกษาบ่อยๆต้องทำบ่อยๆให้มันชำนาญ น, นะให้มันชนานาญแล้วมันจะดับได้ไวถ้าเราไม่รู้วิธีก็ดับได้ช้านะเหมือนกันวิธีดับุ๊ก น, นะแ้รู้วิธีก็ดับได้ไวเราจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะหนาวถ้ารู้วิธีแก้ก็ป๊อกก็ไม่นานก็หายแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีรักษา เป็นยืดเยื้อยู่เนี่ยนะหลายปีนะกูจะหายนี่เพราะฉะนั้นมันเคยช่วยได้ทั้งทั้งโลกกายโลกใจนั่นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดอะไรเกิดตัวรู้นะเกิดตัวรู้และตัวรู้ตัวนี้มารู้อะไรรู้ว่ากายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกและการดับทุกได้ให้มารู้อย่างนี้แล้วเราเข้าไปอันไหนเป็นทุกก็ ให้ศึกษาเอาแต่พอดีทุกแต่พอดีสุขก็สุขแต่พอดีนะให้ศึกษาเพื่อให้เกิดความพอดีอันไหนมันเกินก็เอาทิ้งเอาออกถ้าให้เอาออ ก, นะ ม, อออกมันกลายเป็นสมุ ท, ทยัยให้เกิดทุกมันเกินอันไหนมันเกินก็ปรับให้มันพอดีเดียวว่าสมุ ท, ทยัยการทุกข์จักปรับให้พอดีมันก็เกิดเป็นนิโรธวิธีปรับวิชาวิธีปรับอยู่เสมอกลายเป็นมร อยู่แค่นี้ที่เราปฏิบัติแต่ทำไมมันช่างยากเย็นได้เกินก็เพราะเรายังไม่คุ้นเคยเราไปคุ้นเคยกับทุกคุ้นเคยกับเหตุเกิดทุกคุ้นเคยกับการสร้างทุกคุ้นเคยต่อวิธีการสร้างทุกคุ้นเคยแต่อันนั้นแต่ไม่คุ้นเคยต่อการดับทุกไม่คุ้นเคยตับการวิธีดับทุกไม่คุ้นเคยต่อการละสมุทัย เรามีทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะไปรู้กลับไปสำคัญไปคิดทึกทักว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกข์โอ้เราไม่สบายโอ้เราไม่ชอบอะไรทานองนี้เราไปคุ้นแต่ประเภทนั้นดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมจึงมาศึกษาตัวเองนะแล้วก็น้อยคนที่มาศึกษาเรื่องนี้ได้ขนาดมา งานทุกปีก็ยังไม่ปฏิบัติก็มีนะว่าคนชนเข้ายังไม่เข้าเลยบอกว่ารู้แล้ว น, นี่คือคนไม่มีวาสนาคนนี้ไม่มีวาสนาอยู่ใกล้เกลือก็กินแก่ก็ช่วยไม่ได้แล้วดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ใยในเรื่องนี้แหละแต่ความจริงปัญหาหรือเรื่องราวในโลกนี้มันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวอย่างนู้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้น ถ้าเราไม่จะปลักตัวนี้ให้มันคงแล้วเราหัวปั่นไปกับมันวุ่นวายนั้นเราต้องสลัดสลัดทิ้งไปเรื่องที่ไม่จําเป็นสลัดทิ้งไปเอาเรื่องที่จําเป็นเฉพาะที่มันจําเป็นอันไหนมันเกินจําเป็นก็เอาวางไว้ก่อนนะเอาเฉพาะที่มันเกินจําเป็นมันจะทําให้กายเราหนักทําให้ใจเราหนักนะที่คําว่าหนักมันมีสองอย่างหนัก เราไปแบ่งหรือเรียกว่ารับผิดชอบนันพรเราไปแบ่งสองหนักเพราะเราประคองหนักพระประคองถ้าเราหนักพระประคองหมายว่าเราใช้แล้วก็เราประคองไว้ขณะที่ใช้มันพอใช้มันเสร็จก็วางอย่างนี้ไม่หนัก เพราะอะไรหนักเฉพาะตอนใช้เพราะเราจะต้องใช้กายใช้ใจในททุาระหน้าที่ทำมาหากินบริหารกิจการงานต่างๆนี่เราปกครองมันก็หนักเฉพาะที่เราทาพอเราเลิกก็ปล่อยวางแต่ถ้าหากว่าบางคนไม่รู้จักวิธีนี่ไปแบกงงานจบไปแล้วเรื่องราวจบไปแล้วก็ยังคิด ยังนึกอยู่นี่คือเริ่มแบ่งแบบนี้ทุกแล้ว น, นะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พอใจให้ประคองตั้งจิตไว้ให้ประคองตั้งจิตไว้ปัจขันหาติปัฏหานิติให้ประคองไว้ประคองเวลาเราประคองจิต ให้ทำหน้าที่สมมติว่าเราจะทำงานชิ้นนี้ให้มันเสร็จเราก็ต้องประคองจิตประคองสติประคองสมาธิประคองปัญญาทำงานนั้นให้เสร็จพอเสร็จเวลาแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องเอามาคิดใหม่อีกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วก็แบกต่อแบกความคิดมาคิดนูนคิดนี่ไปหนักแล้วทีนี้ไอ้อนทตอนทามันไม่หนัก ตอนเลิกทำแล้วกลับมันหนักเพราะเราแบกเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อฝึกใจให้รู้จักประคองในกิจที่ทำในคำที่พูดแต่ไม่ให้มันแบกขันธ์ห้าเป็นของหนักคนผู้ไม่รู้แบกของหนักไปดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือมารู้จัก ประคองปธาหาติวิประคันหาติปทาติประคองตั้งจิตไว้าเมื่อประคองตั้งจิตทำธุระเสร็จจะสบายที่เรานั่งปฏิบัติทั้งวันนั่ก็คือประคองนะประคองประคองจิตให้มันอยู่เราไม่ได้แบกเราไม่ได้แหวกการปฏิบัติคนไหนแบกปฏิบัติเป็นภาระเมื live, remind, oh, Say, hey, Garden, aken, wie, world, ่อไรจะเสร็จเมื่อไรเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะหมดวันเมื่อไรจะหมดชั่วโมงฉันจะได้พักอันนี้เรียกว่าแบกจะหนักนั แต่บางคนก็ประคองประคองสติเบาเบาประคองสมาธิสบายๆประคองอารมณ์ให้ปลดปลงนี่ประคองอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายปฏิบัติแล้วก็มีความโปร่งเบาสบายนะ น, นั้นเราก็ไม่ต้องไปแบกนะเรื่องการปฏิบัติให้ศึกษานี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเราจะต้อง ได้นั่นไดนี่นะถ้าคิดว่าได้จะไม่ได้ต่ให้คิดว่าเรามีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจมาเรียนรู้เท่า น, นั้นนะนะมาเรียนรู้รู้แล้วเป็นไงสบายหรือไม่สบายถ้ารู้แล้วมันไม่สดายมันไม่สบายแสดงว่าเรารู้ไม่ถูกก็พยายามปรับให้มันถูกอันไหนรู้แล้วสบายเราปลอดโปร่งโล่งสบายเออแสดงว่าใช้ได้ ก็ทําไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้มันมันรู้มันรู้ผลเลยนะถ้าทําถูกมันรู้ผลเลยคือทําแล้วสบายแต่บางเรื่องทําแล้วรู้แล้วไม่สบายแสดงว่าต้องมีอะไรผิดบางอย่างจะต้องสํารวจตรวจสอบหละเพราะฉะนั้นมาเวลาฝึกปฏิบัติอมาก็จะสํารวจใจตัวเองมันก็มีเรื่องเข้ามานั่บ้างนี่บ้างบางเรื่องก็ทําใจสบายบางเรื่องทําใจไม่สบาย ค่ อ, อยสำรวจอันไหนที่ทําให้ไม่สบายค่อยปรับออกไปปรับออกไปให้มันกลับมาสบายแม้เราจะทํางานหนักทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีมันก็ยึงสบายเนะพราะเราไม่ได้แบกเพราะเราประคองในส่วนที่ใช้พอใช้จบเราก็ปล่อยนะปล่อยแล้วก็สบายมันก็มีเลื่อกมีแรงเหมือนเดิมนะแต่ถ้าประเภทแบกเนี่ยโอมันหมดเรื่องหมดแรงเลยนะแบกจะหมดกําลัง ไปต่อไปไม่ได้และนี่จะทำไงให้มันปล่อยวางได้ก็คืออย่าไปแบกประคองประคองอเพื่อให้มันเสร็จภาระพอเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยวางเอาไวนะ้นั้นเองเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้มันก็ง่ายนะปฏิบัติทำสนุกอยาปฏิบัติเยอะๆแต่ในช่วงปฏิบัติมันก็ จะให้มันสนุกสนานเหมือนเราไปเล่นกีฬามันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นธรรมดาเมื่อเงินเราไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรคือเมื่อกล่าวันยังอุ่นๆร้อนๆนะถ้าเป็นหม้อแกงก็มันร้อนๆอยู่เมื่อไรที่ปดลงมาก็ค่อยเย็นกินได้เหมือนกับเราอยู่หน้าเตาไฟปรุงอาหารมันยังไม่เสร็จ เราก็ต้องทนทำไปนะนะทนทาให้มันเสร็จเสร็จแล้วเราจะได้กินได้บริโภคขณะทำความเพียรเหมือนกันเน่เราก็ต้องทนหนักทนเหนื่อยทนเมื่อยทนหิวไปพอวันผ่านไปแล้วก็สบายมันเราได้ทานอาหาร mm hmm. ข้าฉะนั้นเองในวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติไหลอะไรชั่วโมงนะ พวกนี้ก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติให้เข้มขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นอันไหนที่มันขัดตกบกพร่องไปแล้วก็ปรับนะเพราะฉะนั้นการสนามปฏิบัติถ้าพวกหลวงพ่อทําเขาจะทําอย่างนี้แหละคือปฏิบัติร่วมกันอย่างเงี้ยระยะสามสี่วันแรกวันท้ายๆแล้วก็เก็บอารมณ์กันเขปฏิบัติร่วมกันนะไม่ได้ปล่อยให้ไปทําใครทํามันเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่า บางคนที่อ่อนแอก็ไปไม่ถูกละไม่มีการประครับคองเมื่อคนเข้มแข็งก็ไปแต่เลิดเลยมันก็เลยเกิดช่องว่างคนที่เก่งก็เก่งไปเลยคนที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นสักทีคนที่ปฏิบัติไม่รู้กี่ปีก็ยังเหมือนเดิมพอมาปีนี้เปลี่ยนใหม่เราช่วยกันอย่ช่วยกันหมายความว่า คนที่เก่งก็จะได้ช่วยคนที่อไม่เก่งคนที่เข้มแข็งก็จะได้ช่วยคนที่อ่อนแอนะนั่นก็นไมาความว่าเราจะต้องมานั่งปฏิบัติร่วมกันอย่างเงี้ยอืเราก็จะทําให้ได้เหมือนๆกันได้เท่าๆกันนะดนะเพราะนั้นวันนี้เราได้นะั่งปฏิบัติมายาวก็เห็นว่าสมควรอืม ที่แรกหลวงพ่อสวัติบอกว่าเ อ, อวันนี้หลวงพ่อเช้านั่ง mm hmm. เพื่อท่านจะมาครบกรลาส่งทุ่มนะพ่อเคยรออยู่มันบอกไอทีโอท่าภาระาท่านเยอะมากที่แรกก็จะให้ท่านมาพรุ่งนี้เช้าว่าเรากําลังปฏิบัติเราไม่พร้อมมาในช่วงที่เราหลังทำวัดดีกว่าบอกมาเออท่านก็พร้อมที่จะมา mm hmm. ก็พรุ่งนี้ท่านคงจะมาใหม่ ในช่วงไหนก็ค่อยบอกกันกทีนะถามพ่อเอาเวลาไหนดีเวลาหนึ่งทุมก็ดีมาก็พากันทําวัดแล้วก็ฟังท่านพูดแล้ให้ฟังแล้วก็ทำหน้าที่จะไม่เสียเวาลาปฏิบัติเราเพราะฉะนั้นเองก็ <c oughs> ในสนามปฏิบัติปีนี้ถ้าพวกหลวงพ่อจัดก็จะจัดแบบนี้ทํากันของกันไปถ้าสนามมันพร้อมนะทั้งพระทั้งโยมหมุนก็อยู่อย่างนี้ หือว่าช่วยกันพระก็ามาช่วยโยวมจริงๆจุมก็มาช่วยพระจริงๆคนเก่าก็ได้ช่วยคนใหม่จริงๆเรียกว่าได้ช่วยกันละมันก็จะมีกํำลังใจเหมือนเรายกกระสอบข้าวคนเดียวไม่ไหวละยกไม้สูงสักท่อนยกคนเดียวไม่ไหวแต่ทั้งคนทั้งหุ้มมาไปช่วยกันยกหนึ่งเบาเลยนะ ไม่สูงทั้งทนก็ยังไปได้กระสอบทั้งข้าวทั้งกระสอบก็ไปได้สบายภาระที่จะเอาทุกออกจากใจเป็นภาระหนักต้องช่วยกันยกตร้อมช่วยกันแบกช่วยกันหามเมื่อเราต่างคนต่างช่วยกันแบกกันหามมันก็ไม่เป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาการปฏิบัติของเราก็ไปได้เร็วแต่ถ้ามันหนักเนื้อยกไม่ขึ้นไปแช่อยู่ตรงนั้นนะะแต่ถ้ามันยกขึ้นเบาไปได้เร็วการปฏิบัติเหมือนกันก็จะไปได้เร็ว ถ้าเราทำอย่างนี้นะนั้นนะถ้าหากว่าในปีต่อไปหลวงพ่ออาจจะต้องลดลงว่าการอเมริกานี่เราคงจะลดลงว่าคนไทยเราน่าสงสารมากขึ้นนะ่ะต่อไปปัญหาอะไรมากขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ mm hmm. ว่าคนจนคนรวยไม่ว่าคนาสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีทุกพอๆกันเพราะว่ามันเป็นกันทั้งโลกนะ เป็นททาการทำรูปมันเป็นสัญญาณนั่นนะเราก็ต้องช่วยกันถ้าหากว่าเราคนไหนเข้มแข็งแล้วอะมาช่วยกันคนไหนอ่อนแอก็ต้องมาพึ่งพากันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคน <c oughs> มาสายงานของเราก็ถือว่ามีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญมาไม่ถึงเนะี่ยมีเหตุบางคนบุญเยอะ ไม่น่าจะได้มาก็ได้มาบางคนบุญ น, น้อยตั้งใจจะมาเดี๋ยวที่ไม่ได้มานันอย่างนี้เป็นต้น